พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่33โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าชี้จุดสถานที่สร้างพิพิธภัณฑ์เจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล นี่แ่ะหลวงพอวานะเา้าสิเอาจากไหนสางมองได้ิเฮ็์ลูกปััษณะแบบใดแต่หลวงตาพนบอกไว้เลยได้หล่ะหลวงตาพนยืนในจดหมายของหลวงพ่อนะ่ะมีอยู่นะีดแรกกัหลวงพ่อเกิดเขียนจดหมายเข้าไปก็ใพระเาเลยว่าท่านนบปนเป็นผู้อ่านพออ่านพ่อจบอ่านเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราไปเห็นด้วยอย่าไปสร้างเจ ด, ดีนะ สร้างใจนั่นแหละอย่ามหายุกเราไปเห็นด้วยอย่าคิดนะอย่าทํานะโอ้ดวงตาคูยังแข่งขันแตกไปคนละท่างกันออกไปพระเกือบสามสิบสี่สิบองค์เน้ยหมดอันพระมิถะพระผู้ใหญ่กันออกไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ล่างไปจากวัดหน้าคขาหน่อยนะแต่บ่าวว่าเป็นวัดจดหมาหลวงพ่อได้จดหมายใน้ําคณะสูงฆ์กันออกไปว่าในหายหลวงพ่อมุขผเป็นผู้อ่าน พออ่านลงตาโคพอโคแล้วก็แตกไปโนระทั้งระหว่านู้น อ, อื่นต่อไปบาดาลเนี่ยเพิ่นสองสามมือหาหลังบาเนี่ยสองสามมือหาหลังเพิ่นก็บอกเออมือ ว, าอว่านมือก้อนไอ้มีปกพระนึกเม็ดไผมาขออนุญาตที่สื่อสางเจดีย์ในวัดให้สร้างเจดีย์ของเฮ้าขั้นที่สร้างเจดีย์อหอยเฮ้าเนี่ยที่สร้างเจดีย์จุดกูดขึ้นมาเจื่เจือเนี่ยเออแล้วก็มีเออเป็นเจดีย์ยเจือเนี่ย เวลาภัยผู้ใดมากกันขึ้นไปกรกลับปลกปลก อ, อจากนั้นกับจมผู้ภูมาพิม พ, ม พ, ม พ, มพมอธิษฐานคิตอลไรก็เปิดหนีเข้าบ่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยทําลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นการเพื่อการศึกษา เ, เพื่อต่อไปภายภาคหน้าเพื่อจะมีการศึกษาเอ อ, อเราพอจะมองเห็นประโยชน์ ใ, ในการสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาแล้ว เป็นรูปเยดีขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็กราบปลุกปลุกเอออธิษฐานจิตบทอะไรก็เป็รูปภูผูผอมผอมแล้วก็กราบแล้วก็ไปไม่ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเราไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาแล้วลักษณะพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเอออย่างผลงานของเราเราทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแก่โลกอย่างไรถ้าทําอย่างนั้นเออเราพอจะมองเห็นผลประโยชน์ในการสร้างบาทหลวงพอจะยิ้มออกทางวิทยุ มาเขียนตำราไม้เอกบาดให้มันสอดคล้องนไปให้มันสอดคล้องกับที่พันาวาไปเข้าไปบานกระไม้แล้วบาขอากากราบพระแม่พุทธเจา้าด้วยความเคารพให้ท่านนบปกรณ้าอ่านวไปเข้าไปไประชุมอ่านอก ว, ว่าการที่จะสร้างเกดีพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะทำเป็นลักษณะอนุสรสถานเหมือนกับพนเรศสวนที่จังหวัดสุพรรณที่พนเรศสวนไปรบ ฆ่าศึกศัตรูแล้วก็มีคําบรรยายว่าพนาเรศวนปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร อ, อันนี้ก็อยากจะเขียนประวัติขององค์หลวงตาลักษณะอย่างนั้นเพื่อลูกหลานอนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าองค์หลวงตาได้ช่วยเหลือประเทศชาติในยามคับขันเศรษฐกิจตกต่าอย่างไรลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าก็จะได้รู้ว่า ลงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงจํานวนเท่าไหร่ เ, เพื่อลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปในเจดีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับผมอ่านให้คนฟังพันกับพ่อจะเห็นด้วยพันเอาอนุญาตพันดได้บ่อพ่ออนุญาตเช็ดแล้วก็ลงพอเลยนั่มต่อหนูอขอาการพระแม่จารย์ถ้าพระแมจาร์อนุญาตเถอะอยากจะให้พ่อแมูุ่ญจารย์เนี่ ไปสี่จุดสถานที่ว่าสีย อ, อมมงไหรหมือนน้อบาดนี้นนเพิ่นว่าเออเดี๋ยวแต่มีเฮามีโอกาสเท่าทิ่เราจะไปสี่จุดสถานที่บาดเนี้ยก็หายเงีบไปละวันไปได้สองสามอาทิตย์เฮาก็เลยเล่งไปทั้ง่านปิววันออกไปปิวผูกขุมกับบอกว่าปิวคันพ่อแม่คุณจาย์ออกไปทางนอกนะให้เพิ่นไปสี่จุดสถานที่แล้วไปเสีย อ, อมองไรเจดีหนึ่นนะาะครับครับครับบาดในดวงตาเพิงแล้วออกมา ออกไม้นอกวัดพ่อออกมาแล้วก็ท่านปิวก็เลยกราบขออนุญาตเพลนโอการพระอาจารย์ในคณะสงฆ์ที่ขออนุญาตสร้างเจดีในวันนั้นน่ะท่านเขาอยากจะให้พระอาจาย์ซี้จุดสถานที่พระพระอาจาย์ว่าจะซื้จุดสถานที่เออบ่าแลา้วพื่กระยางมาดยยางยางมาโมหดหนาสาร้ายไงโมหดหนาสาร้ายน่ะเพื่เลี้ยวขึ้นฝ่ามองพุ่มมองไปเออเอาหมดเลยนะขึ้นมองยี่หรอก มองที่พระราชท่านจันีละลงตานี่เออมองเม่นนะ่ะก้นสี่เสีวมงคันเอออมองนี่แหละบานในท่านปิ๋วก็เลยฝังลักปูนเสี้เม่นี่ขุ่ี่วออกไปฝังวักสี่ไปเนี่บ้านหลงพ่อไปบ้านในท่านปิ๋วท่านอาจารย์นี่แหละลักนั่นแหละไอ้ที่ลุงตาพราแม่ผู้จานสี่จุดสถานที่เหรนเออดีบานในต่อมาบ้านในมันเกะกะรถเขาบ้านในพวกก็เลยหาเล็กประมาณนิ้วหนึ่งนิน่ ตอกลงไปให้มันมิดเลยกระอยู่ในหันะ่ะอแค่เป็นคนมหากระเจอะหลอดออกไปลายเล็กที่เขาตอกไวนะ้4จุดสถานทีพ่อพนจีสุดจีสจุดสถานทีเมื่อนั้นมือเศ้ามือเอิ่หมดไปมือเศ้ามือเอเิญนเขาไปเดินจมกลมอยู่ในป่านในกุติของเพินนะพ่อเพินก็ออกมาพอออกมาเห็นนาพวกท่านปิวมาน่ะพนก็รู้พ อ, พ อ, พอเออที่เราอนุญาตให้สร้างเจดีเมื่อวานนี่นะอยอะจะเพิ่งทําอะไรนะ เราจะไม่อนุญาตต่อนะให้เก็บไว้ก่อ น, เ, นเราจะอนุญาตต่อภายหลังถ้าเห็นเห็นว่าเหมาะสมสมควรเราจะอนุญาตแต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรโภคท่านปิวเลยโทษมาหาหลวงพอ่อพ้นบมท่นอนุญาตตรงพอ่อจังเล อ, อดีแล้วนะ่ะพ้นสี่มองไวนะ้ให้น่ดีแล้วลนะ่ะว่ะวานในลูกศิษย์ลูกหาลูกตาลายเด้่ยเป็นวบบันละวันวานในบางค้อนะวะหลวงพ่ออินเนี่ะเป็นยังโมเหตุแนว อ, อื่น แนวอื่นเหตุเมีติดขัดอ่อยากจะไปหาสางเจดีลงตาเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่ออินอยางให้ลงตาตายไหวได้นหมเออเพื่อจะได้สางเจดีเอาก็ะดูกลงตาใส่เลยท่าอหลวงพ่ออินขึ้นจังใดท่านโอ้โหบมเมนแนวตันนี้ว่าเหลวงพ่อก็เลยยานขึ้นกันนั่นเก็เลยเศร้าเบาเศร้าคึ้เอาไว้หารก่อนนี่แหละวันนี้ก็เลยเมื่อเพื่อนหลวงรับรับคันไปบานเนี่ ก่อนเรก็เข้ากับเริ่มหลายหลายบาทเ ล, ย, ลววเยเริ่ม เ, เขาก็เลยถามว่าเปลี่ยวเนี่ยที่พบแม่กุญจาร์สีจุดสถานที่ในตรงไหนแทนเปิี่กดที่หน้าศาลาครับที่ตรงไหนป้าประพาไปโดเมื่อนั้นทั้งกล่องวิดีโอทั้งยังยังไปน้กนากรรไกรค น, ท, นครทั้งปูว่านะวะไปหอดท่านเปลี่ยก็เลยสีให้บงนมองนี้แล้วครับเออเอามองนี้ละ่ละแทนเขา้เาเสีเฮ็ดอย่างไรเอามองนี้เนาะเป็นทีประชุ่มเพิงงนี่ทีพระราชทานเพิ่งองลวงตา พี่นอ้องประชาชนก็นจะได้พักสะไล่ไงนี่นี่นะครับมองนี่เป็นหมองพระราชท่านเพิงเหมะบอผู้ไรมีอย่างบอก็เลยบอมีผู้ไรคัดขานเพราะวอมีคัดขานแล้วเพราะเนซีว่าจ้ได้เป็นเวละไว้การพันว่าเป็นบุซีไว้เนี่ยเถียงกันข้อเพึ่งเคืนแะล้วันนีไปข้อเป็นเอ็นเคลนแจ็กสีลงหัวลงกองนะ่อยเคลื่อนอ่ะนี่ลงตาซีไปแล้วก็เลยบอมีผูไ้ไรเถียงกันก็เลยจบเอาหมองหันนั่นนี่แหะ การทำตามไม่จริงเจงดีของหลวงตาเนี่ยพ้นวอรไว้แล้วลักษณะนั้นแหละเพราะนั้นผมขอขให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะรับผู้รับทราบติดหลวงพ่อเลยบอกให้ฟังนะคออณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อเนยพวกเข้าเด้ตะเวนกาบคู่บาอาจารย์คงจะไปหลายวัดละมั่งแต่เมื่อเนยมาทั้งอำเภ อ, อหน้ายุ่งบันผือนายุ่ง แล้วก็คงจะกลับผู้ดอนเฮาการทําวัดคารวะครูบาอาจารย์เป็นการทัศนะศึกษาไปแต่ละวัดก็เห็นครูบาอ า, า, าจารย์ไปกราบไหวครูบาอาจารย์กราบสถานดีเป็นการทัศนศึกษาและก็พร้อมกันก็เป็นเมื่อไปหาครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์บางองค์พ้นกระเบายัางให้ฟังบางองค์พ้นกระ บ, รบาเบาจะให้พ้นเบาทุกองค์กับอะไร บ่ให้พ่นเบาเลยกรบบาดขั้นหาเพิ่นเบาเฉยคือกันก็ไปกราบพระพุทธรูปนะไปกราบแล้วก็ออกไปกรบบาดความหูในลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองคณะชาไทยญาติโยมมากขั้นบ่มือยบลาอิลีหลวงพ่อก็ที่บอกยังให้ฟังนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเพราะพวกเฮาเกิดมาต้องอาศัยการใดยินงใดฟัง การบอได้ยินได้ฟังจ ะ, จะเสฉลียวฉลาดได้จังไรจะเฉลียวฉลาดกินมาไดก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะสุดตามมยะปัญญาจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญานะปัญญาจะเกิดขึ้นมาใดก็เพราะการได้ยินในฟังเรียว่าสุดตมยะปัญญานะจินตามมยะปัญญาก็คือภาวนาหรือว่าการจะมีปัญญาขึ้นมาใดก็เพราะเมื่อได้ยินในฟังแล้วก็นํามาคิดทบทวนไตรตรองเหตุและผล อันนี้ว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาคือทําจิตใจให้สงบทํา ใ, ให้จิตใจเป็นหนึ่งจาก น, นการการกองที่เข้าในยินงในฟั่งมานันด้วยเหตุด้วยผลอันลึกซึ้งจนนํามาประพฤติปฏิบัติชําระกายว่าใจาใจหัวเข่าบริสุทธิดลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้เราว่าภาวนามยปัญญา เพราะนั่นก่อนถือห้าวจีมีความลูกความฉลาดขึ้นมาใดต้องอาศัยการได้ยิ่งใดฟังเพราะนั้นเวลาพวกเ้าวลูกหลานทุกขูทุกคนมาสู่วัดว่ า, าศาสนาจะมาอยู่สู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยแหะมีอย่างหลวงพอ่อก็จีบอกให้ฟังพราะหลวงพ่อเนี่อยู่เบืออเบ้องในอายู่บื้อหน้ก็คือเป็นพระในพระพุทธศาสนาฝากฝังตั๋วไว้ในพระพุทธศาส น, นาโนบหน้านหลวงพอมีความเห็นจังไร หลวงพ่อก็จะเดิระบายให้พวกลูกหลานซัท่าหยาดโยมให้ได้ยิ้นได้ฟังศีลเป็นอย่งสีนะ่หน้าท่านเป็นอย่งสีนะ่หน้าพาวันหน้าเป็นอย่งสีนะ่น้าหยาดโยมลนะตายแล้วบ่อูน่นะตายแล้วเกิดอีกนะ่ะครับหลวงพ่อเอาอย่างมากพิสูจน์ตายแล้วเกิดองหลวงพ่อก็จะเต่งหาลักเหตุผลมาให้พวกเข้าได้ยิ้นได้ฟังอีกที่พระตายแล้วเกิดนั่นคือหยั่งคณะว่าตายแล้นะออวาาลสูน่ะพวกเขาก็เพื่อจะเคลีความตีได้ ตายแล้วศูนตายแล้วมันดับไปเืยเฉไอ้ไอย่างสิเป็นผู้รับดีรับบาปรับบุญมันบอกมี่เลยถ้าว่าตายแล้วมันเกิดอีกนะนี่แหละคนที่เกิดอีกเลยจะต้องรับบาปรับกรรมถ้าว่าเฮาทํากรรมดีบุญกุศลก็จะเข้าเกื้อกูลน์เป็นคนดีมีความสุขแต่ว่าเฮาทํากรรมชั่วไว้ในอดีตเกิดมาพบนี่ชาตินี้กรรมชั่วกันแรงเขามาต่ําเฮาละ่ะผ้านําในทางซัวประสบแต่ค ว, วามเดือดร้อนบุ่นไหว ไม่อะไรยัง้ยงตัวเองจยกแม่นเรื่องอยังแล้วเรื่องหนึง่งพัยั้งเรื่องนึงแล้วเรื่องหนึง่งพัยังเรื่องหนึง่งเพราะเหตุใดเพราะอาดีตชาติของเฮานี่ยเฮาไม่แต่ทำแต่กรรมบอดีเฮ็ดแต่ทิ้งที่บ้นบอดีเป็นของสนุกสนานอกินเหล้าเมายาเข้าว่าเลยไปตีหัวขูหัวข้นดาบตีหัวหมาดาแม่เจ็กตะพุะพ้นตะเพื่อไปบ่อยอยู่ในศีลธรรมพอในเวลาเกิดมาพบชาติต่อไปกรรมมูระเมื่อก่อ น, นแลนเข้ามา หาแล้วบ่ไหนทั้งที่เรื่องเนิงมื่อชแล้วเรื่องเนิ่งเขาพ่อหาพ่อเนิ่งพานไปแล้วเรื่องเรื่องแลนเข้ามาอเองผลที่ชดก็เลยหาความสงบสุขบ่ได้วิธีเรื่องทับสนวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าพูดว่าพระพุทธไปค้นคว้าศึกษาเบิ้งแล้วเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายแล้วบ่อศูนยเนาอตายแล้วเกิด ขั้นสุขสู้เจ้าจะกูจักกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ให้ปฏิบัติตนตั้งต่อไปนี้จั้งท่านละความหมายวันออกไปปฏิบัติตนจังไรพระพุทธเจ้าเพิินว่าเพิินไปบมเพ็ญอยู่ในป่าหกปีจูพุทธคยาประเทศอินเดียยงเหงาตนพ่อในบริเวเซีเพิ่นภาวนาเพิินทดลองเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์ทังท่ โทดล่องพิษทดลองถูกทดล่องผูกทษลองพิษออเป็นเวลาทังหกปีแต่ว่าเมื่อสี่สูตรสําเร็จ น, นะนะพระพุทธเจ้าพนังพาะวนาเลยเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัจดริลงนะอัสดงก็ยังบ่กท่านตกดินพระพุทธองค์ก็นังในช่วงนั้นนายโสติยะได้หาบยากาผ่านมานะ ยาค่าไผ่เห็ดหลังค่าบานเฮาขู่จากตัวยาข่าไผ่ยาวๆ8กแปดกมือกร้โกงจะขางได้สี่กำมือมักงแอเพิ่นถวายสองาบนึง่อนมาพวกพุทธเจ้าก็ได้ยาข่ามากเเพิ่นก็เลยปูปูค้นเงาต้นโพ่แอพวกเฮาก็เคยอยเค่ยเห็นไะต้นโพ่ได้ต้นโพ่เท่าๆแกนต้นโพ่หย่าอหากมันก็ล่อยกันเท่งเท่งเป็นบ่ละแต่ปุมตะปํา ว่าสิทธะพุทธเจ้าของเฮาเพ้นก็เอาหยาค่าปูลงซีกับมือแล้วก็สลับหัวสลับท้ายสลับหัวสลับหางกันอย่างจ้างและซีนเนาะประสานกันแต่พ่อปสานเสร็จปูเสร็จแล้วเราพ้นปูหันหนาไปทางทิศตะวันออกเด็ดอหปูหยาานะ่ะปูแทนหยาค่ า, านะหันหนาไปทางทิศตะวันออกพ่อปูเสร็จเรียบร้อยแลย้วสิทธะพ้นก็ขึ้นน่งหยาค่าไป ที่เป็นอาสนะนะหันพระพักไปทางทิศตะวันออกไอ้นั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายเพื่อนางนะนางสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นพระองค์ดารงสติเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ให้เราฟังไว้เลยนี่แหละคือกรรมฐานของรพนะระพุทธเจ้าเลยบัด น, นี้พระพุทธเจ้าเพิ่นพาวะนาอย่างนเนาะเพิ่นจิตได้สําเร็จมือนั้นนะเพิ่นพาวะนากำหนดล่มหายใจเข่าออกอะฟังไวปนะ อ, อจากนั้นกันั่งคัจจมาธีกาหนดล่มหายใจเข่าออกหายใจเขา่ารัว่าหายใจเขา่าเพิ่นบริกรรมบริกรรมวัพุทธโทธเด้ หายใจเขา้าครัวหายใจเขา้าหายใจออกครัว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือบกคิดถึงอดีตที่ผ่านมาบกคิดถึงอนาคตที่ยั่งบ่เถึงจากนั้นใจของพระองค์พระไถยของพระองค์อยู่ติดปลายจมกูกจากนั้นใจของพระองค์ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งนจิตรวมลงเป็นหนึ่งร่วมลงไปเลยแต่พระองค์ก่อนน้อมจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งแล้วเลิกชาติทุนหลัง เรียว่าปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้นะนี่แหละเป็นอันว่าตายแล้วบอรศูนย์เนะี่ยคันว่าบ่มีมือว่านเนะเข้าเกิดโผล่มาเลยบ้ามื่อเนี่ยนะบ่มีมือว่านนะี่ยเข้าจะ ล, ะลึกถึงมือว่านใดอย่างไรที่ร ล, ลึกถึงมือว่านเนี่ยเพราะมือเขาผ่านมือว่านมาแล้วผ่านมือก้อนมาเลยผ่านอาทิตย์ก้อนผ่านเตือนก้อนปีก้อนมาแล้วจึงถึงมื่อเนี่นี่แหละพราะพระเถรยาเป็นนางพระวานาโคนตนโพกิตของพง ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งซะก่อนอนะพอร่วมลงเป็นหนึ่งนะเพื่อนกัลละลึกชาติทวนหลังได้จากนั้นกัลละลึกชาติข้ามภพข้ามชาติไปบ้างพระองค์เป็นชาติยังชาติที่แล้วเนี่ยมาจากไสามาเกิดมาจากสวรรค์ฮะมาจากสวรรค์ชั้นรุศิษพร้อมได้จะขึ้นไปอยู่สู่สวรรค์สั้นอื่นอีกแต่ถึงเวลาเทวบุตรนีิมนต์ลงมาลงกระเพิ่นลงมาเกิดออกจากที่ไปเกิดสวรรคนะ์เพื่อนมาจากสน่ย เพิ่นว่ามาจากพวเวชันดอนะจ้งสั้นแหละให้เข้าเลี่ยงตามลํารับไปเลยหรือบานออกจากพวเวชันดอนมันเป็นชาติได้เลยไล่ไปอีกเลยนี่แหละแจ้งว่าปุเพเนี่ยวาสานุสติญาณระลึกชาติทวนหลังได้แต่ทําไมบานเนี่ยเมื่อเพิ่นระลึกชาติทวนหลังได้เนี่ยเพิ่นนางภาะวนาเนี่ยจิตของเพิ่นสัร่วมน่ะพ่อจิตร่วมปุ๊บลงไปเนี่ยเพิ่นเที่ยหัวจักไลยเด้ ในร่างกายของเข้าทุกคนที่นางย่ น, นยไม่ยู่สองเปนวาร่างกายของเ้านะี่ไม่ยู่สองสองคือกายกับใจร่างกายคือรูปประธรรมส่วนนามรธรรมคือจิตใจถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนเป็นรูปประธรรมขึ้นมากก็คือร่างกายนี่คือรถใจนี่คือค้นขับรถค้นขับรถก็รถเนี่ ย, ยออบ่บบเมอนอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญ เรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถปเพราะพ่อทีเจ้าพจนให้ความสำคัญเลมโนปุพังคามาธรรมามโนเสรษฐมโนมายาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพรนะให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนี่แหละให้พวกเฮาท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมนะไอ้ตัวโซเฟอร์น่ะตัวนั้นน่ะสาคัญภาไปเกิดพ่อ รถคันในี่ใส่มาหลายๆปีสิบยี่สิบปีสายพ่านมัน่นรถสายพ่านมันขาดมอหนามมัม่นห่วงสันนิมมั่นเกิดพรในสุดโซเฟอร์เนี่ยสีใไซส์รถคันเก่าต่อไปบพราะไรละ่ะขยับไปขยับมากบานในสุดก็ถิมรถตัวนี้ทิมเข้าไปป้ายยาฆ่าถิมไว้ในป้ายยาโซเฟอร์ะนะั่นไปหาซื้อรถคันใหม่บไปนี่เมื่อโซเฟอร์ถิมรถแล้วเนี่ยคันนว่าโซเฟอร์นี่ย เกิดมากแล้วนะไปยังพวกเขานี่ซื้อรถได้มากขั้นหนึ่งแล้วเนะ่ยจองรถได้แล้วซื้อรถมากแล้วกนะันขี่รถมัดเหมืองมัดขึ้นยีรอนตอนว่ามีเวลาหาเงินหาท่องบ า, าดหารถขั้นในพังแล้ะบอลโซเฟอร์ผู้นั่นเขาเคย ด, ดูใช่ว่าเขาเสียเงินใส่ซื้อรถอีกเพราะเขาไม่ได้หาเงินเขาบม่ได้เก็บไว้เขาบม่ได้สะสมเงินนี่ก็เหมือนกันนะครับคันว่าพวกเข้า ได้ร่างกายในมาแล้วได้ร่างกายแล้วไงบุตรชลใจเรื่องท่านเรื่องศิเลเรื่องพาะวนาเรื่องปฏิบัติเรื่องดูแลสร้างบุญสร้างกุศลพ่อในร่างกายในมากันนี่แหละพ่อร่างกายมดอายุคือกันกระดหมดอายุอุจจาระใจของเฮาเสียเหตุอย่างไรบัดพ่อเฮาบริสร้างบุญเลยพอ่อท่านจุดนี้แหละพระพุทธเจ้าพนว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อมีร่างกายอยู่นี่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอ ให้สร้างสมคุณงามความดีให้สร้างสมบุญกุศลให้ท่านรักษาศีลภาวนาไหว้พระสดม่อนดูแลพ่อแม่าดูแลวัยเด็กคุณอาวุ ธ, วธให้สร้างกุศลอย่างที่หลวงพอบอกอะให้ซอยซอยกันเนอไปสร้างเจดีลงตาเนอร์จริงสิละ่ะการล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลขันนะว่าพวกเข้ารถคั้นเนียมพังแปลว่าเข้าก็ได้เตรียมเงินไว้พ่อซุ้มควนแล้วเงิเข้าก็จะได้เงินก่อนนี่แหะที่ห้องที่สร้างไวนะ้น่ยไปหาซื้อรถขั้นใหม่ ขันเฒ่ามันขยันเนี่ยซื้อรถทำไมแต่ง่ามก็เก่าอีกดีก็เกา่ายี่หอ้อดีก็เก่าอีกเพราะเหตุใดเพราะว่าเฒ่าตั้งอยู่ในความบอบประมาทถ้งว่าพวกเฒ่าได้ลดค่าเนยมากเลยค่ะมีแต่เที่ยวช่างแฉผุนช่างแฉผิวลงไปโรคเหล่ายุ่ใสก็แว่เข้าไปกินวันอไปมองได้สนุกสนานเพลิดเพลินมีแต่ทําความสั่วสาเสียหายบริคิดเรื่องอนาคตว่าบาบุ่นคุณนโทษมีจังไรบริคิด บาธาตายจากชาตินีระบาดรนี่บ่มีบุญได้ป่านใหนคนประเภททั้งท่านวิ่งญาติใจผู้นั้นบ่มีบุญไปทั้งดลาะบาตอถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์กระไปเ พ, ร, เพราไรเพมบ่มีทุนเอาไปมากกรไปเกิดเป็นสร้างหมาหัวควายหมูม้าเป็ดไก่เพอเพออย่างตกนรกอีกตั้งหากเพราะเหตุใดเพราะว่าป่วเสื้อในบาปบุญกุญธโทษเลยกระทําความชั่วเสียหายอะไรมันชั่วเฮ็ดมัดเพราะว่าแนวใดสีสนุกเนี่ใดที่ชอบใจเจ้าของเฮ็ดมด <newly jour ing> พอ um ่ออเฮ็ดแหละคือกรรมวันนั้นโมบุไปใส่ด้วอถึงข้าวมันหอดมือแล้วนะย่อมมาถูดเขาบันทึกใส่ขอความไปเมื่อไหร่ละพวกนี้ด้วยกันนะได้รับบาปรับกรรมดวงวิญญาณนะครับเศรษทุกข์ระบาดได้รับทุกข์ไปตกนรกมกใหม่ออกจากมาตกนรกมกใหม่มาแล้วมาเป็นเปรตมาเกิดเป็นเปรตอาจจะนั้นกัเป็นเกิดเป็นสัตตีระชันหน้าหน้าสนิดมีตั้งเยอะแยะพวกเฮาเห็นบมด่ะ เออชัดทีลสารมีหลายพันนี่แหละให้พวกเขา้ายาตูกหลานคณะชัดไทยยัดงอมทั้งหลายย่าตัาง้งอยู่ในความประมาทพอพระพุทธเจ้าเพ้นไปพิสูจน์แล้วเพป็นไปนางภาวนาเบังแล้วพ่อจิตสงบลงไปนี่เป็นว่าร่างกายคับใจคนละอ่านกันเพิ่นเห็นได้ชัดเลยว่ะร่างกายจะเหมือนกับรถจิตใจจะเหมือนกับคนขับรถนี่แหละจากนันมากเพิ่นกันนางภาวนาต่วนหัวคําเำปุเพนวาสานุจติยา พอถึงเทียงคืนจิตสงบนิ่งลงไปอีกเห็นตัวของพลอีกชัดเจนหมดจุตูตตปะ ป, ะปะตาตยานการจุติการเกิดการตายของสัตว์ว่านเพิ่นเห็นได้ชัดม้ไช่มะเกิดเนี่ออกจากนี่จะจีไปใสแฮ้เพิ่นเบิง่งเลยได้บ้านออกจากนี่จะไปใส่วิญญาณจเบิงเบิ่งผู้อื่นเีกบ้านค้นพลอเนี่ออกมาเนี่ยมาใส่มะเกิดนี่ออกจากนี่เขาจะไปใส่เพิ่นก็ฮู้อีกเช่นกันร่างกายแตกตายสลายแน่ สู่ดินหนามล้มไฟแต่ว่าน้า ม, มันถ้ำขึอนใจดันบ่อตายจะต้องไปปฏิสุนธิไปหาเกิดหมองอื่นอีกนี่แหละอันเอกพราะพระพเจ้าพนณังสอนพุทธตาบริษัทธของพระองค์ว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนให้พวกท่านทั้งหลายให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้รักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเอาไว้ในสิ่งไหนที่เป็นคุณงามคนดีให้ทําสิ่งนั้น สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำเอี่ยพณพ่อยคิดอีต่างหากแล้วก็บอให้พูดอีต่างหากบอให้ทําอีต่างหากพราะนั้นขอให้พวกเข้าจัดท่ายาดโยมทุกข์ทุกคนนะเนอะเหตุเกิดมาพบในชาตินี้เดี๋ยพบพระพุทธศาสนาเนีพวกเข้าให้สร้างคุณนงามความดีชวนดึกโลกไปกว่านั้นนะให้พวกเข้าศึกษาบ่เนี้เออจะ เ, เหตุอย่างไหลักของพระพุทธศาสนาจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้นำสั่งสอนพวกลูกพวกหลานพทุทธทายาทโยมฝ่ายพระสงฆ์เพิ่นในเฮติเอเียงแน่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ท่านนะรักษาศีล น, นะภาวนานะคำว่าภาวนาคือนะไรคือสมถะคือทำจิตใจให้สงบนะ้ะแล้วก็ภาวนาพิจารณาร่างกายสังขารบำเพ็ญตัวตนของเฮ้านะ้ะร่างกายของเฮ้านะอีกสักมือหนึ่งนี่ตายแท้ๆเด้ตายแน่แนนะ ไปเผาไฟถิ่งอยู่เออเม่นแต่แเลยมีแต่กระดูกเลยผู้ใดแนดสิะตตายมีบอพ่อแม่ปูาาย่ย่าตายายเขาตายบมดขนาดร่างกายของเขาเนี่ที่เขาหักกระดอกกระเดียห์าป น, นี่แหละหกักชุดหัวจิตหัวใจหักร่างกายเจ้าของไฝแตะเอาไปเลไฝดาเอาไปเไฝสู้นไก่เอาบปเลยเออหักร้ายหักร่างกายพอ่อในสุดเกิดเนตายพ่อตายแลยเขาเอาไปเผาไฟถิ่มเออใจของเขาก็ออกจากร่าง แล้วขนาดร่างกายของเจ้าของแท้ๆกระยังโมเมนของเจ้าของเขายังเอาไปเผาไฟถิ่มอยู่ไปว่าไปเผาไฟยังไหนคดีเกี่ยวไปมันกเน็เหม็นน่ะเขาต้องเอาไปเผาไฟในเมื่อไปเผาไฟถึงเอาไปฝังระบาดวิ่นย่านออกจากร่าง่ขนาดร่างกายเจ้าของกระยังโมเมนของเจ้าของเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติสามีภรรยาลูกหลานที่ดินเลือกสวนไรน่น า, าวัดว่าศาสนาจะเป็นของเฮาใดจังใด ขนาดร่างกายชงสุขของก็ยังบ่อเม็นของเจ้าของไงพวกเข้าคิดเบื้องให้ดีนะคิดดูให้ดีเพราะนั่นให้เข้าหุดเมื่อเข้ามากเกิดยังลงพอเนี่ยเป็นพระสงฆ์ค่พยายามทําตนให้เหมาะสมเนี่ยที่มั่นบุดีอยาเหตยาทํำยาพูดไอพวกเข้าเป็นคณะศัทธายาติจมด้วยกันเนวใจมันบุรียาเหตยาทํำ เ, เ, เหตแต่สิ่งที่มั่นดีเนีสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทํำสิ่งนั้น พอเมื่อถ้ำสิ่งแต่ดีแล้วนั่นแห ะ, ม, ม, ะมือสุดท้ายเมื่อนั้นแหมมือสุดท้ายนี่เป็นมือรวบรวมคะแน่นล่ะบานนี้เมื่อเข้าตายนยงมาถูตเขาก็รวบรวมขะแน่นไผ่สอบในขันแน่นดีขนาดใดถามว่าสอบในเป็นพระอรหันต์แต่ว่ากรจบและ่ะบุมาเวียนวายตายเกิดขันสอบในเป็นพระหนาฆ่ามีดทีทพวกเข้าก็จะต้องไปอยู่สวรรค์ชุดไปอยู่ภพมโลกชุดถวาดหาชั้น อวิหาอาตัตปาทุตสาสุสียะกนิฐ า, าสุทถวัตแต่ท้าวาสอบได้พระสักทาคามีเข้าก็ไปอยู่พ่อมาโลกไปสู่สวรรค์โลกมาเกิดชาติหนึ่งคันวะสอบได้พระโสดาบันอ่าเล่าก็อาจจะเกิดอีกสามหนึ่งชาติสามชาติยี่ชาติจากนั้นก็ได้สาเร็จคันว่าเข้าสอบว่าถึงขันพระอริยเข้าสอบได้เพียงตะว่าให้สางบุญสางกุศลไ ป, ไปสู่สวรรค์ได้ แน่เขาก็ไปสู่สวรรค์หรือสอบไปมาเกิดเป็นมนุษย์พอสําคัญจะสอบไปต่ำกว่านั้นเลยถ้าสอบลดลงไปบัดออกจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ดิฉานได้บาดเป็นสั่งบั่งง่วงควายสร้างเขาก็ใส่แบบหนึง่งหลากใหม่หลักส่งขูมเอือไดไปยางอ่อมเมืองห่อนแฉนห่อนยางยังไงนะพอมนุษย์ผ้าขี้อ่อมเมืองนี่แหละเกิดเป็นสั่งกระทุกแบบหนึง่งเกิดเป็นง่วเป็นควายกระทุกแบบนึงเป็นหมูหมากาไกอกระทุกอีกแบบหนึง่ง เป็นอาหารของคนทั้งหลายออกจากตำกว่านรกไปอีกวันเนี่ยออกจากสาติสสันไปเกิดเป็นเป็ดไปเกิดเป็นเป็ดแห้งหิวโซ่ไปอีกวันออกจากหันชอบตกตำกว่านรกไปอีกไปเกิดไปตกนรกน่ารกต่างหลายลูกมานะไปที่โทษย่ำย่ำเกิดขึ้นน่ะล่ะโทษประหารน่ะจากนั้นก็โทษขังคุกต่อชีวิตจากนั้นก็โทษนักจากนั้นก็โทษเบาโทษชิ้นไม้มีมัดคือกันในเมืองเป็ด ปลาโลกภายภาคหนาะพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทัตายาตโนมทุกคนนะเล่าพวกเข้าได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมืองอุดอรเป็นเมืองทีออ่ผู้แม่ครูบาอาจารย์หลวงปูหลวงตาเป็นผู้แนะนำสังสอนพวกเข้ายานอนรับทับสิตว น, นไป อให้เป็นผูตังอกตังใจสัางคุณงามความดีสัางบุญสัางกุศลหนา้าอย่าต่างอยู่ในความประมาทการกล่าวสมโมทานิยกถามันเองค่ะว่าเห็นมาสงควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณภษัษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มค้องขอให้คณะสงฆ์หรือคณะมูลูกหลานทั้งหลายรัทธายาดงนมทุกขุทุกคนหนะ้า ให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิด